ได้ชาดกเนี่ยได้หลายคนคองราดมาช่วงแกมองเห็นเกษาผมงอกอยู่บนหัวแล้วเขาปล่อยรู้สึกว่าอ้ผมมันงอกแล้วก็ตาไปบวชบวชบำเพ็ญตบะพระพุทธปฏิบัติขัดเกลาคือชีวิตได้มุ่งสู่พระนิพพานนะ ไม่ได้หยุดยังไม่ได้จมอยู่กับความก็เรียกว่าอะไร่ะเรียกว่าความรวยเลวไม่ได้จมอยู่กับความทุกขนะ์ไม่ได้ยอมอยู่กับความทุกข์ของโลกที่มันมีให้พยายามมองไปข้างหน้าคือชีวิตนีนมันยังไม่ถึงที่หมายไม่ถึงที่ ที่สุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ว่าสิ่งที่ชีวิตนี่ควรจะได้ควรจะถึงมันคืออะไรเถี่ยคนทังหลายว่าที่สุดของชีวิตคือตาย <c oughs> ตอนยังมีชีวิตอยู่ละคำว่าได้เนี่ยมันต้องได้ตอนที่ยังมีชีวิตนะตายแล้วมันไม่รู้สึกอะไรสัมผัสอะไรก็ตามเนะ่ะสัมผัสได้แต่ตอนมีชีวิตอยู่นี่ กาความทุกข์ก็มันมีอยู่ตอนมีชีวิตอยู่ความพ้นทุกข์ก็ต้องเกิดขึ้นตอนที่มีชีวิตอยู่ส่วนตายไปแล้วก็เป็นเรื่องของมันนะถ้ายังไงเนี่ยตอนเกิดมาเนี่ยเรยื่องว่าเราเราประสบผลสาเร็จในการเกิดมาเป็นคนทำยังไงเราจึงรู้สึกว่าเราประสบสำเร็จในการเกิดมาเป็นมนุษย์ยิ่งถ้ามีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาเนี่ย ถือว่าเป็นบุญมหาศาลบุญตรงไหนบุญตรงที่มันมีหลักธรรมคำสอนในการฝึกจิตถ้าเราไปอยู่แถวยุโรปแถวแอฟริกาแอเมริกาเนี่ยเขาไม่มีนะหลักธรรมคำสอนว่าฝึกจิตให้เป็นสมาธิให้เกิดปล่อยวางศา ส, สนาเขาท่านลงก็กลายเป็นความงมงายไปเลย แม้นทางโน้นเขาจึมีเทพเจ้ามีผีมีนนทนมีนี่มากมายหลากหลายยิ่งที่ใดก็ตามที่มีความสลับซับซ้อนของภูมิประเทศของสิ่งแวดล้อมตรงนั้นก็ยิ่งจะยากอธิบายปรากฏการณ์นั้นสิ่งที่เข้ามามีบทบาททอนนั้นก็คือาศาสนาผี ศา ส, สนาเทวดาแล้วก็มีผู้ติดต่อระหว่างสวรรค์กับมนุษย์จะเรียกว่ามีผู้นำทางจิตบิญญาณขึ้นมาเป็นผู้เชื่อมต่อความลี้ลับอันนั้นที่นี้มันมีอย่างทั้งฝรั่งเนี่ยเขาจะมีบางคนเขาไม่เชื่อไอ้เรื่องแบบเนี้ย เขาเรียกว่างมงงายไม่เชื่อแต่ว่ามันไม่ได้ฝึกสติงไงไม่ได้มีสติสัมปชัญญะมีแต่ความคิดมีแต่การสังเกตภายใต้สติสัมปชัญญะที่เป็นสัญชตาตญาณผลของมันออกมาก็คือเป็นอัตตาตัวตนไม่เชื่อว่ามันจะเป็นแบบนั้นเอาชนะได้ธรรมชาติเนี่ย ฟ้าผ่าก็เอาชนะได้ฟ้าร้องเอาชนะได้พายุมาก็เอาชนะเป็นอืมและมันจะมีเทพเจ้าอยู่ตรงไหนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนแต่ความรู้สึกแบบนี้ในกลายเป็นอัตราตัวตนนะนะเป็นการยกตนข่มท่านจิตมันไม่น้อมมันไม่อ่อนไม่วาง คือเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็งมงายไม่เชื่อก็งมงายคนทั้งหลายทั้งปรงแบบพิสูจน์ได้แล้วว่ามันไม่มีจริงก็งมงายเหมือนกันนะคือจิตก็ไม่มีลักษณะที่เป็นละหูตามุทุตาอะไรปรากฏเกิดขึ้นจิตอ่อนจิตโยน จิตผ่องใสจิตอะไรมันไม่เกิดขึ้นกับจิต ท, ที่มีทิฏฐิมานะราคะตณัณหาเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเราถือว่าเป็นโชคดีที่เรามีพุทธศาสนามีพุทธธรรมแต่เราจะเสียโอกาสถ้าเราไม่ฝึกจิตไม่มีการพัฒนาจิตใจเราเนี่ยมีน้อยคนนะที่มาศึกษา เรื่องของจิตใจเรื่องของสติปัญญาเราเนี่ยเพราะเขาคิดว่ามันไม่จําเป็นไม่สําคัญนั้นเรามีพุทธศาสนาอยู่กับตัวมีพุทธธรรมเกิดขึ้นเรารู้จักพระเจประสงค์เราก็หมั่นฝึกฝนเอาไว้ฝึกฝนเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อไปสู่เป้าหมายของชีวิตที่แท้จริงคือการเข้าอย่างลงสู่สัจธรรมจิต แทนที่มันจะอยู่กับสมมุติธรรมทั้งหลายเราก็พยายามฝึกฝนไม่ให้หลงอวิชาก็ให้มันเบาบางความไม่รู้เนี่ยให้มันรู้รู้มากขึ้นรู้มากขึ้นรู้มากเข้ารู้อะไรรู้กายรู้กายจะไม่ใช่คิดเอาชั่วคู่ชั่วขนานะรู้มันตลอดเวลารู้จิต รู้เรื่อลึรู้ตลอดเวลาเฝ้าดูมันตลอดเวลาเพราะจิตนี่เป็นตัวแปลของทุกทั้งหลายเราก็มาเฝ้าดูว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นเฝ้าดูเวลามันคิดมันคิดได้ยังไงเวลามันจํามันจําได้ยังไงมันพอใจไม่พอใจเป็นยังไงเวลามันรับรู้เนี่ย มันรับรู้ตรงตรงไม่ได้เลยรู้ซื่อๆตรงตรงเลยรู้แบบไม่ปรุงแต่งเนี่ยได้ไหมนี่ถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่เป็นผู้มีอุปการะคุณกับโลกนี้มากเลยทีเดียวนะที่มาทําให้มนุษย์ออกจากความคิดตัวเองเป็นเนี่ยถึงแม้เรายังออกไม่ได้แต่ก็ถูกได้รับการสอนแบบนี้มาไม่ใช่เรื่องงมงายแบบชาวบ้านคือพุทธศาสนาในอย่างที่ว่าน่ะ ชาวบ้านก็จะดึงความรู้สึกพุทธธรรมเนี่ยไปบวกกับวิธีชีวิตตัวเองกลายเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมแบบชาวบ้านไปแต่ไม่ใช่แก่นของสัจธรรมนะอาตมามาตั้งวัดที่นี่ไม่ได้ต้องการมาเผยแพร่วัฒนธรรมอะไรนะไม่ได้เผยแพร่ประเพณีอนุนัอนอ น, นี่ไม่แต่ต้องการใช้เป็นที่ฝึกจิตคนเพื่อการออกจากทุกข์ อย่างแท้จริงนั่นเองเพราะเดี๋ยวนี้วัฒนธรรมประเพณีทั้งหลายกลืนเอาพุทธศาสนาไปหมดแล้วไม่มีแก่นนะ์นั่นวัดวาอารวาดทั่วๆไปเนี่ยกลายเป็นผู้ขอเป็นผู้ขอคือมันไม่มีศักดิ์ศรีเยาเสลยพระสงฆ์ข้าเจ้าเนี่ย เหมือนการฝากสังคมอย่างเขาว่าจริงๆคือฝากชีวิตไว้กับสังคมไว้กับการขอขอเอามาทำบุญสร้างอันนั้นแต่งอันนี้ขออยู่ข อ, อกินเนี่ยซึ่งสมัยพระพุทธการเนี่ยมันหรือเป้าหมายของพระเจ้าพระสงฆ์นี้ถือว่าเป็นผู้มีศักดิ์ี เป็นผู้มีศั์มีสีโดยธรรมชาติของสัจจะนะคือเป็นผู้มีประโยชน์กับสังคมอย่างมหาศาลนะประโยชน์ในการดับทุกขประโยชน์ในการเที่ยวไปในธรมนิยมน้อยใหญ่ในการไปสั่งสอนประชาชนเนี่ยเพื่อให้เขาพ้นทุกเขาถือว่าเป็นเป็นบุคคลผู้มีอุปการะหุนกับโลกนะ แต่ปัจจุบันนี้เป็นอย่างนั้นไม่ไม่เป็นพระสงฆ์นี่เหมือนคนจนคอยขอนั่นขอนี่คอยกระถินขอผ้าป่าขอเอามาสร้างนั้นสร้างนี้นะวิถีชีวิตมันมันไม่ได้พอเราไม่ได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะเพี้ยนไปเลยความมีค่าในตัวของพระสงฆ์ก็ลดลงลดลงลดลงวัดวาว่ดที่ถือว่าเป็นสถานที่สำหรับ ฝึกฝนจิตหรือเป็นโรงเรียนวัดเนี่ยเป็นสถานที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนฝึกจิตฝึกใจเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราสร้างวัดว า, ว า, วาอารามขึ้นมาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สร้างเจดีย์วิหารสร้างนุนซนี่ไปเพื่ออะไรเพื่อไปกราบไปไหว้คือมันผิดพุทธประสงค์ไป จนก็ะทั้งว่ามันเป็นเป็นแบบนั้นไปเลยเ๋ยวเนี่ยเราไม่เลยเลยไม่รู้เลยว่าจริ ง, รงๆพระพุทธเจ้าสอนนันไรแต่ที่นี้นี่มีความตั้งใจอืเอาไว้เพื่อมาฝึกเป็นสถานที่ฝึ ก, กจิตฝึกใจของพวกเราทั้งหลายไม่ได้สร้างมาเพื่อให้มันศักดิ์สิทธิ์นะพระสงฆ์ของพระเจ้าก็เหมือนกันเรามาปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์เพื่อดับทุกข์ วความทุกข์เนี่ยบางทีเขาเรียกว่าเป็นความจนท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในนี้รู้สึกไหมว่าตัวเองเป็นคนรวยคนไหนรวยที่สุดในนี้มีไหมเราไม่ยอมรับนะแต่เราก็อยากรวยแล้วก็มุ่งไปสู่ความรวยนะเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีความรวยผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีความรวยรวยจนตั้งไม่ต้องขอใคร แต่นี้มันไม่แล้วมีบุญมีฐานเดี๋ยวแจกซองแล้วแจกซองแล้วขอนั่นขอนี่อยู่เรื่อยๆคือดูแล้วก็น่าสมเพชเวทนานคล้ายๆว่าเราเองเป็นคนไม่มีคุณค่าทั้งที่เราน่าจะเป็นคนที่มีคุณค่ามากๆนะคุณค่าเนี่ยคือไงก็คือต้องเอาตัวเองไปเจรเิญในเองเราก็คือเพชรเม็ดหนึ่งเนะี่ยเจริในแวววเนี่ย เขาจะเอาไปใส่ในหัวแหวนของเขาเองแต่ทีนี้ดูพระเจ้าประสงค์เนี่ยบางทีอยู่ตามวัดตามมาคุณค่าของพระสงค์นี้ ย, ยังสู้ทายกวัดไม่ได้ถ้าว่าคุณยกวัดยังมีบทบาทมากกว่าคนเขาเคารพนับถือมากกว่าพระสงค์เพราะอะไรเพราะว่าทายกวัดจะเป็นผู้มีหลากหลายในมุมมองของเขานะี่ พฤติกรรมเขาสามารถทำพิธีกรรมอันนั้นพาทำทพิธีกรรมมันนี่พิธีกรรมนี้ีนนี่มากมายหลากหลายเลยพระเจ้าพระสงฆ์ก็กลายเป็นผู้เฝ้าวัดเฝ้าวาไปเฉยๆทั้งที่พระสงฆ์นี่คือผู้เผยแพร่อมตะธรรมสัจะธรรมผู้นําความรวยมาสู่สังคมความร่ํารวยนะ พระสงฆ์ไม่ใช่คนจนนะในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสเอาไว้ถึงวิธีชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนจนคนจนในธรรมวินัยเราถือว่าเป็นคนจนมากที่สุดคือบุคคลใดก็ตามที่ขาดเสียซึ่งศรัทธาไม่มีศรัทธา เราทำมวินไยนี้ต่อการฝึกจิตฝึกใจตัวเองนะ่ไม่มีศรัทธาถามว่าเรามาปฏิบัติธรรมเรามีศรัทธาไหมถ้าไม่มีศรัทธาก็เหมือนจนอยู่นะไม่มนะีคือความเป็นคารวะญาติโยมเนี่ยเป็นผู้บริโภคกา ร, รมชีวิตของผู้บริโภคกา ร, รมเขาถือว่าเป็นความสุขแต่ทำไม่มีไหนนี้ถือว่าเป็นความทุกข์ ชีวิตของผู้บริโภคกรรมจะมีปัญหาอยู่หนึ่งก็คือเขาเป็นหนี้เพราะว่าการบริโภคกรรมเนี่ยมันต้องซื้อซื้อรูปรถกลิ่นเสียงซื้อสัมผัสสร้างอารมณ์ให้เกิดกับจิตตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันยากมากดังนั้นมันก็ต้องมีการเป็นหนี้ หายากแน่ในนี้ที่ไม่เป ah ็นนี่เน่ไม่ได้กู้นี่เนี่ยายกความเป็นนี่เป็นความจนในโลกของผู้บริโภคการความไม่มีเงินไม่มีทองถือว่าเป็นความจนความไม่ความเป็นนี่นิ่งหนักเข้าไปนะความจนความไม่มีเงินไม่มีทองถือว่าเป็นทุกข์ละของผู้อยู่ทางโลกเนี่ยยิ่งเป็นนี่ยิ่งทุกข์เข้าไปอีกที่ไ้เมื่อเป็นนี่เนี่ย มันต้องมีการปกปิดนะไม่อยากให้คนรู้จักพระบริยาบอกว่านี่ก็เป็นความทุกข์แบบหนึง่งการปกปิดนี้ปกปิดเครดิตตัวเองนะไม่อยากให้คนรู้เนี่ยเ ป, บบ เ, เป็นความทุกข์แบบหนึ่งทีนี้การถูกทวงถามหนี้ทีเนียก็เป็นความทุกข์ของผู้บริโภคการแบบหนึง่งมีไหมคนถูกทวงถามหนีนะ้การต้องเสียดอก เสียดอกเบีย้ยก็เป็นความทุกข์อีกแบบหนึง่งสุดแล้วก็มีหนึ่งความจนเป็นทุกข์ของชาวโลกผู้บริโภคกรรมสองการเป็นหนี้เป็นทุกข์สามการถูกทวงถามนี่การต้องปกปิดหนี้เป็นทุกข์อย่างหนึ่งกันถูกทวงถามหนี้ก็เป็นทุกข์พระพุทธองค์ท่านตรัสเอาไ ว, าวา้ว่า ในธรรมวินัยเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายคึกันแบบนั้นแหละความจนเนี่ยคือคนไม่มีศรัทธาคนไหนไม่มีศรัทธาถือว่าเป็นความจนอย่างมหาศาลในธรรมวินัยนยีความจนความรวยนีย่เขาจะชี้ไปที่อริยรัพ์อริยรัพย์หนึ่งมีศรัทธาสองมีหิริความละอายแก่ใจ ละอายต่อการที่คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วละอายต่อราคาโทสะโมห oh ะที่มันปรากฏเกิดขึ้นกับใจเราจะอายที่เราต้องหลงไปในความคิดเนี่ยละอายในการที่จิตถูกบีบรัดด้วยอวิชชาด้วยตัณหาด้วยอุปทานเนี่ยไม่มีโอตตะปะโอตตะปะคือความเกรงกลัวต่ออกุศลและจิตหลายหลายคนลุยไปเรื่อยเื่ชีวิตเนี่ย มันงดเงียบก็ไม่อายมันโกรธใครขึ้นมาก็ไม่อายมีแต่จะเพิ่มนิสัยสันดานขึ้นเรื่อยๆโทสะเกิดขึ้นเรื่อยโมหะเกิดขึ้นเรื่อยอัตตาตัวตนเกิดมากถามว่าละอายไหมไม่ละอายมไมนได้มีความละอายการที่ท่านทั้งหลายไม่มีความละอายชั่วเนี่ยถือว่าเป็นความจนนะถือว่าเป็นผู้ไม่มีทรัพย์นะ เพราะมันมันไม่ได้ชีวิตมันปกติไม่ได้มีชีวิตที่มันดีงามชีวิตมันไม่สะอาดมันไม่มีความปลอดโปร่งเพอมันเวลาอายไงไมลาอายชั่วกลัวบาป ม, มันติดอารมณ์มันก็ทุกตลอดเหมือนคนเป็นบาดแผลเหมือนเป็นโรคเกาอยู่เรื่อยๆเดี๋ยงุดหญิดละเดี๋ยวเบื่อละเดี๋ยวขี้เกียจละ มันไม่เป็นโรคเราเกาประจะําอ่ะมันทีก็ง่วงเหงาคือต้องเกาต้องบำบัดบรนเทาอยู่เลยไม่หายสักทีทั้งที่โรคอันนี้เป็นนามโรคไม่ใช่รูปโรคมันหายได้เปแต่เราก็ไม่เคยใส่ใจที่จะรักษาเราอยู่แต่ภาวะของความเป็นคนทุกข์ยากความเป็นคนจนเกิดมาอายุก็มากแล้วแต่ยังจนอยู่ เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้หาสัจจะเราไม่ได้หาอริยสัพันเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราไม่สมมุติแหลนะนัเราเป็นทุกข์เพราะหง่เงียบติดอารมณ์เป็นทุกข์เพราะความปรุงแต่งพวกท้อกิเลส ต, ตัณหาอุปท า, านฝังอยู่ในจิตเนี่ยสลัดไม่ออกทิ้งความคิดไม่ได้มันไม่หลุดเอามองไกลๆโยมมองไกลๆลืมตาก้งกางวา โม่งไกลๆยัยมันหลับอันนี้แหละเป็นที่มาของทรัพย์อันที่สี่เนี่ยต้องมีวิริยะมีไหมมีวิริยะไหมมีความขยันมีความกล้าอย่าเช่นมันติดอารมณ์เนี่ยกูไม่ร่ำไม่รวยนี่กูเป็นคนจนนะเนี่ย มันยึดติอารมณอยู่เรกูติดง่วงติดเหงาติดสลด ม, มีวิรยิยะไม่วิรยิรยะคือขยันไหมขยันที่จะออกจากทุกนี่ไหมศรัทธามีแล้วฮีริอายบางไม่ที่มาหลับต่อหน้าพระนี่ยอายบางไม่ที่มานั่งหลับต่อหน้าโยมเนี่ยถ้าไม่มีฮีริไม่มีโอตตปะคุณก็ไม่มีทรัพย์คุณไม่มีเงินเนี่ย อยู่ในตัวเองทุกมาในซื้อไม่ออกจ่ายทันทีไม่ได้มันต้องมีขยันหาขยันสละขยันปล่อยวางก็เรียกว่ามีวิริยะตัวที่ห้าอริยะทรัพย์มันมีห้านะคือปัญญาเมื่อขยันปล่อยวางเข้ามาเข้ามาเข้ า, ม, ามันก็เกิดหลุดพวก อ, ออกไปเนี้ยตัว่างหลุดออกไปปุ๊บ ตัวคิดหลุดพวะออกไปตัวงุนหงิดงุนงานลำคาญใจสงสัยอะไรมันหลุดออกไปจากใจในี่เขาเกิดว่าเกิดปัญญาแหละอันนั้นปัญญาคือสภาวะธรรมที่สามารถสลัดทุกข์ออกไปได้ไม่ใช่คิดได้นะเมื่ อ, อไหร่ที่มันทิ้งความคิดเป็นทิ้งความง่วงเป็นนันะ่นคือปัญญาทิ้งความเบือ่อความนาย ทิ้นกิเลอาสบะทั้งหลายสุดยอดของปัญญาก็คืออรหัตตมรักสลัดหลุดพวะไปเป็นอรหัตตผลมานี่แหละสุดยอดของปัญญาทีเราก็ฝึกสตินี่แหละทุกอย่างก็เกิดจากสติสัมปชัญญะเราเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันทุกข เพื่อไม่ให้มันจนให้มันมีอริยทรัพย์เกิดขึ้นกับจิตแล้วที น, นี้อาจจะมีรวยนะนเนี่ยอาจจะมีเงินหลายล้านนะคนแต่ถามว่ายังเป็นทุกข์อยู่ไหมถ้าทุกข์ก็แสดงว่าท่านยังจนอยู่พระสงฆ์เนี่ยจะต้องเป็นผู้ไม่จนนะไม่ทุกข์ก็คือไม่จนแหละถ้าไม่ทุกข์นี่ยเราก็ไม่มีความรู้สึกว่าต้องขอต้องมีต้องเป็นจากคนนั้นคนนี้นะ เพราะมันไม่มีทุกข์เพราะความจนไงทีนี้ความจนในธรรมวินัยเนี่ยของท่านทั้งหลายเนี่ยบุคคลใดก็ตามเกิดมาแล้วใช้ชีวิตไม่มีอริยทรัพย์อยู่ในตัวเองนี่ถือว่าจนในขณะเดียวกันชีวิตเราเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เพราะมันทุกข์ตลอดเวลา เหมือนมนไม่มีทรัพสมบัติที่จะต้องใช้ใจ่ายคนที่ทำอกุศลอกุศลคือกายทุจริตสามวจีทุจริตสี่มโนทุจริตสามชื่อว่าเป็นการเป็นคนที่สร้างหนี้ให้กับตัวเอง ปกติเกิดมาในปกตินะมันไม่รวยไม่จนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทําทุจริตผิดศีลผิดธรรมไปสร้างอันนั้นสร้างอันนี้ไว้ทําให้จิตมันคุ้นคิดติดอารมณ์นะติดความรูรกรสกลิ่นเสียงพวกนี้ไปผูกมัดพวกนี้ยถือว่าเป็นความเริ่มละเริ่มเป็นหนี้ถามว่าปัจจุบันนี้เป็นหนี้ไหมเป็นเยอะมาก เราเป็นหนี้คือประพฤติไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีการปกปิดนะอันดับสองเนี่ยปกปิดหนี้คือประพฤติทุจริตเนี่ยแสดงว่านั่นแหละเป็นทุกข์เพราะการกู้นี้ปกติใจเราเฉยเนะเต็มเมื่อไรที่เราไปไปทำสิ่งที่ไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดี รวมถึงคิดดีพูดดีทำดีนะแต่ว่าจิตมันคุณคิดติดอารมณ์อยู่ในอนะันตมันสลัดไม่หลุดมันไปผูกพันอย่างเราคิดถึงพ่อถึงแม่พี่น้องเนี่ยสามีภรรยาเรามาปฏิบัติธรรมอย่างนี้ถามว่าดีไหมในทางธรรมเขาว่ามันไม่ดีเป็นความคิดชั่วมันเป็นอกุศลอย่างหนึ่งทางจิต คำว่าอกุศล น, นี่หมายถึงว่าทางโลกไม่ได้คิดว่าเป็นอกุศลนะคิดถึงพ่อแมพี่น้องเนี่ยแต่คำว่าอกุศลอกุสลาเนี่ยหมายถึงความคิดอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วไม่ได้เป็นไปเพื่อการสลัดหลุดเพื่อการปล่อยวางกุศลกุศลากุศลสู้ปะซ้ำปะทา กุศลก็คือความฉลาดในการปล่อยวางในการชำระล้างใจตัวเองถามว่าคิดถึงพ่อถึงแม่พี่น้องเนี่ยเป็นกุศลและจิตเหรอไม่ใช่นะถ้าพูดแบบไม่เป็เกีตใจก็คืออากุศลคือความคิดที่ไม่ฉลาดคิดขึ้นมาก็ติดอารมณ์คิดถึงลูกถึงเมียครอบครัวทางโลกเนี่ยเขถือว่าเป็นจริยธรรมแบบหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีนะแต่ทาง ปฏิบัติเนี่ยที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นเนี่ยพวกนี้เป็นสิ่งที่กีดขวางจิตกีดขวางจิตนยนั้นเราต้องปล่อยวางให้หมดเลยก็ถือว่ามันมันเป็นความฟุง้งซ่านเป็นความปรุงแต่งเป็นความยึดติดอยู่ในจิตถ้าคิดชั่วเนี่ยเหมือนสีดำไปป้ายของจิตคิดดีเหมือนสีขาวแต่จิตก็มืดเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะคิดดีคิดชั่ว นั้นเราไปทําอะไรก็ตามไปทําสิ่งที่ดีไม่ดีเอาไว้เนี่ยมันเหมือนการกู้หนี้โดยเฉพาะทาสิ่งที่ไม่ดีเป็นอกุศลเนี่ยเหมือนกัน ก, กู้หนี้ยืมสินไว้แต่ดีนะจิตเราก็จะติดเรื่องนั้นไปทําอะไรมันก็จะติดอันนั้นไว้นะแล้วมันก็จําเป็นต้องปกปิดไว้ปกปิดไม่ใครรู้นะโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ดี เรารู้สึกว่าเราเป็นทุกข์ทุกข์เพราะเราต้องปกปิดหนี้ทีนี้มันก็จะมีการทวงถามหนี้มีการทวงถามหนี้นะคำว่าทวงถามนี้คืออย่างเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยหรืออยู่ทั้งโลกมีคนเขาถามอย่างพระสงฆ์ข้าเจ้าเราปฏิบัติธรรม สมว่าเราไปติดบุหรี่อย่างเงี้ยเราต้องปกปิดนะต้องแอบทาครูบาอาจารย์ท่านก็จะตามไอ้นี่ไม่เหมาะสมนะเนี่ยไอ้นี่ทำไม่ถูกนะเลิกซะนะไม่ควรทำนะไอ้นี่มันไม่ดีนะเหมือนเขาทวงถามนี่ทวงตามเราก็จะอึดอัดเราก็จะงดหงิด ต, ติดอารมณ์แหละ เพราะนสิ่งที่ไม่ดีในเวลาคนทวงหรือเพื่อนสะพรมจันทร์ด้วยกันเนี่ยเราปฏิบัติทำว่าคุณหลับนะั่นะนะคุณคิดมากนะนี่คิดเรื่องอะไรแบบนั้นไม่ดีนะอย่าไปทํานะอย่าไปพูดอย่าไปทำอย่าไปคิดเรารู้สึกเราอึอาดอัดหงุดหงิดนะเวลาคนทักทวงเนี่ยคนะือเหมือนเขาทวงหนี้เราอะเราจะรู้สึกว่า มันเหมือนเป็นหนี้เขาเวลาเขาว่าขึ้นมาไปสะกิดแผลตัวนั้นเราอายเรารู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมาเวลาเรามาปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าปีศาจหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างนั่นป่าช้านั่นกองฟางท่งทานหลายจงไปตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าไวเ้เถอะและลึกรู้นะ เราพูดย่อส่นอย่างเี้ยเหมือนสอนเห้เราไปหลบอยู่ตรงนน้นตรงนี้นะแต่เพราะพวกเราทั้งหลายเคยไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาท่านไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้นะเมลเาไปนั่งสมาธินั่งปฏิบัติธรรมเอามันมาล้วเข้ามาในจิตแล้วละ่ะเดี๋ยวเมียมาทวงถามละลูกมาทวงถามละธุรกิจหน้าที่การงาน อาชีพทั้งหลายทั้งปวงสมเข้าสมเข้านะมันมันทวงถามมันจี้ยาวจี้ยาวอยู่ในนัน้ในทางจุกรมเราเนี่ยไม่มีวัื่อนไขได้สงบจะนั่งสร้างจวัวะอยู่กับคิดมากเดินจุกรมกัคิดเยอะเนี่ยแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะถือว่าเราเป็นคนรวยไม่เกิดมาในโลกเนี่ยเราก็คือคนจนดีๆนี่เองคนจนที่ไม่มีอะไร มีแต่การเป็นกู้นี่ยืมสินเข้ามาแล้วเขาก็าตามทวงอยู่ตลอดเวลาเวลาระยะเวลาของการแสวงหาธรรมะแสวงหาทรัพสมบัติหาศรัทธาหาหิริอุตตปะหาจากักหาวิริยะหาปัญญาถือว่าเป็นอริยทรัพย์จะคืนให้เขาเนี่ยเราก็มีเวลาน้อยเดินไปได้เจ็บขาละ เพราะว่าขานี่คือธาตุสี่ของเราเนี่ยก็ไปยืมเขามาเราไปยืมเขามานะเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทั้งหลายยืมเขามามไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเรามันก็เป็นอย่างที่เราคิดแต่นี่มันเป็นไปตามมันแต่เราไม่ยอมรับว่ามันเป็นมันเรายอมรับเรานับถือเราคิดเอาเอางว่ามันเป็นของเราขากูหัวกูตีนกูผมกูขนกู ฟันกูหนังกูเนี่ยมันก็เสื่อมสลายไปเรื่อยๆนั้นชีวิตนี่จะหาสมบัติพอที่จะใช้นี่เขาทันหรือเปล่าไม่รู้นะตายก่อนก็ได้นี่ยิ่งบางคนก็อายุมากแล้วเกิดมาเนี่ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกอายุน้อยจะไม่ตายก่อนนะการตายก่อนแตาหลังนี่มัน มันว่าให้ไม่ได้เนะี่ยมันพร้อมทุกเมือนะ่อไงนั้นความแก่ความเจ็บความตายความเจ็บไข้ความปวดความทุรนทุรายความอะไรทั้งหลายตั้งปวกตามเข้ามาเรื่อยๆวันเวลาก็ผ่านไปเห็นไหมยกมือสร้างจังหวะนี่ๆน่อยยังไม่ได้อะไรเลยผ่านไปแล้วสองวันแล้วสามวันแล้วเกาไปเนี่ยมันวุบไปวุบไปไวมันหมดเวลาเร็วมาก ทการทำความดีนี้มันจะหมดเร็วมากนั้นเขาต้องบอกว่าในเมืองในภพภูมิของเทวดาเนี่ยวันเวลามันจะสั้นเมื่อไหร่ที่จิตเราดีๆเป็นเทวดาเนี่ยมันจะสั้นมากทําความดีนี่จะสั้นยังไม่ได้ถึงไหนเลยแต่ถ้าทําความชั่วนี่มันจะยาวเขาบอกว่าเมืองนรกเนี่ยร้อยปีเมืองนรกเท่ากับหนึ่งวันในเมืองสวรรค์ในเมืองมนุษย์ยป่านนั้นนะ่ะ ทุกตัวลมานมากวัยคิดมากเมื่ อ, อไรมันจะค่ำสักทีแล้วมันจะมืดสัทีงั้นชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยตั้งใจเถอะหาสมบัติใช้นี้เขาให้หมดซะถ้าภาษาศาสนาเขาเรียกว่ากำเวนตามสนองเดี๋ยวนี้เราอยู่กำเวนนะถูกกำเวนตามสนองเราเนี่เดี๋ ย, เ, ยเพราะเราไปผูกพันเรื่องนะั้นเรื่องนี้แล้วเราสลัดไม่หลุด เราไม่มีภูมิธรรมหรือพุทธภาวะในการสลายอัตตาตัวตนพวกนี้เราไปทำอะไรมันก็ติดทาอะไรก็ติดมันมีไม่ทำอะไรแล้วทำเฉยๆละวางทำละวางใจเรานี่เฉยๆได้วันหนึ่งตื่นขึ้นมามันจะเฉย ๆ, ๆอยู่อีกหน่อยมันก็ติดอารมณ์ละไม่คิดดีก็คิดชั่วพอใจก็ไว้พอใจอภิชาโธมนัต้ังปฏิบัติธรรมเนี่ย จเจริญสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรเพื่อ น, นำเมาตัวอภิชาอภิชาแปลว่าความโลภอภิชาวิสมลโลภะความเพ่งอยากได้อะจิตมันเพ่งมันอยากได้กูจะเอาวัเนี้ยกูจะเอาวันนั้นเนี่ย ม, รมรีความรู้สึกโทมารั็คือความโกรธพอไม่ได้แล้วมันก็โกรธจิตเนี่ยแต่มันเกิดจากอะไรเกิดจากอวิชาเกิดจากหลงก่อน หลงโลภโกรธนะะหลงโลภโกรธจิตเรามันหลงเข้าไปในความคิดความคิดมันก็แสดงออกไปทางอยายตนะเขาเรียกว่าสลายตนะมีตัณหามีภัทะมีสลายยตนะคือมันอยากได้ตามตามหูจมูกลิ้นกายนี่เนี่มันเกิดความรู้สึกแบบนั้นขึ้นมาตันทีนเวลาพัทธะเนี่ย พอมันไม่ได้สมใจยอยากมันก็เป็นโทสะเนี่ยเห็นไหมไอ้ความโกรธเนี่ยจริงๆเกิดจากความหลงเขาไปในความคิดเกิดจากโมหะพอโมหละลากลายเป็นโลภะพอไม่ได้สมใจยอยากก็เป็นโทสะงั้นโมหะโลภะโทสะมันเป็นสําเร็จรูปมันเลยเสร็จแล้วขบวนการของการเกิดทุกเนี่ยโลภะโทสะโมหะเกิดจากโมหะก่อนเนี่ยมาเป็นโลภะเป็นโทสะ เหมือนควันนี่เกิดจากไฟไฟนี่เกิดจากฟืนทีนี้เวลาเราจะดับนี่คือเราถอยฟืนออกถอยฟืนหนอกไม่ใช่ไปดับควันมันนะนะไม่ใช่เรามือไปตบตรงเปลวไฟนันนะแต่ว่าดัง น, น, นั้นเวลาเราจะมาสลายหนี้สินของตัวเองเนี่ยเราก็มาเฝ้าดูนนี้แหละเฝ้าดูว่า ไอจิตที่มันเป็นกุศลเป็นกุศลที่มันยึดติดมันผูกพันมันเริ่มจากให้เริ่มจากโมหะโมหะคือมันหลงเข้าไปในอารมณ์เนี่ยเราก็ดูมันเออไม่ให้มันหลงไม่ให้มันหลงก็คือรู้รู้ก่อนที่มันจะเข้าไปในความคิดรู้สึกตัวเยอะๆไม่หลงเข้าไปในความง่วงไม่หลงเข้าไปในความปรุงแต่งถ้าคิดก็คิดเฉยๆคิดแล้วอย่าปรุงแต่ง ถ้าปรุงแต่งก็เป็นเป็นกุศลธรรมก็อย่างดีคือไม่ให้มันเป็นอกุศลธรรมปรุงแต่งขึ้นมาถ้าเป็นกุศลธรรมคือคิดที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยมันจะคิดน้อยเดียวแล้วก็จบไปเลยอะไรก็ตามที่เราเจตนาคิดเนี่ยมันจะน้อยเดียวแล้วมันจะดับไปส่วนมากที่เดินจุกกรมทั้งวันนั้นมันเผลอคิดอันนั้นนะ มันเผลอคิดเดินกลับไปเด็กคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อดีนอนาคตถ้ายิงตัวก็อยู่ในนี้ไม่จําเป็นต้องคิดเรื่องอื่นแต่มันก็คิดแล้วความคิดนี่แหละทําให้เราอึดอัดขัดเคืองขึ้นมาพอเราหลงเข้าไปในความคิดเราไงปฏิบัติธรรมจึงไม่ให้มันหลงเข้าไปอยู่ในความคิดอันนี้ไม่ให้หลงเข้าไปในความดีไม่ให้หลงเข้าไปในความชั่วนะมีสติลึกรู้อยู่กับฐานกาย มันมีเวทนาก็ดูเวทนาจนทั่งมันดำนะฮะดูจิตก็เห็นมันเฉยก็รู้จักมันมีราคะโทสะโมหะงุนิดอึดัดขัดเครื่องปล่อยวางเป็นสมาธิไม่เป็นสมาธิหลุดพ้นไม่หลุดพ้นเราดูมันเฉยๆทำอารมณ์ก็คือโอ้มันมีปิตินะเนี่ยมีนิวรณ์นะมีความโผ่งมีความโลภมีความสบายเออมนอันอึดอัดนะวันนี้ก็ดูมันดูจนกระทั่งว่าอาการของไตรลักษณ์ในปรากฏ ใ, ในสภาวะธรรมมันั้น มันอืนดาดก็ดูอยู่ทั้งมันเป็นอนิจจังค่อยๆสลายไปจนกระทั่งมันเป็นอนัตตาดับไปว่างขึ้นมาไม่มีตัวโกรธละในใจเราตัวโกรธมาอาศัยเกิดไม่ได้ละตัวโลภมาอาศัยจิตนี้เกิดไม่ได้จิตนี้มีแต่ความว่างวันวันหนึ่งจิตนี้มีแต่ความว่างมันมาอาศัยจิตเกิดไม่ได้เพราะเราเห็นมันก่อนเรารู้มันก่อนนะัน้นทํำยังไงเราจึงจะเป็นพุทโธพุทธเป็นผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมด้วยธรรมก็คือด้วยการเห็นนี่แหละด้วยการกระทําเราเนี่ยที่เราลึกรู้เฝ้าดูเห็นมันเนี่ยเราจะมีปัญญาเห็นมันไหมถ้าไม่มีปัญญาเห็นก็กลายเป็นคนจนแล้วจนจนตายนะจนจนตายนะชีวิตเนี่ยไม่มีโอกาสได้รํารวยไม่มีโอกาสได้ใช้หนี้ นัตทมาปฏิบัติธรรมเข้าใจคำว่าเออเพลทมาขอส่วนบุญเนี่ยวันนั้นครับเดินจุกกลมนี่แหละเดินจุกกลมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมันก็มาทวงนี้แบบนี้แหละทวงนี้บ่อยๆเดี๋ยวมันแว บ, บมาแล้วเดินไปกำลังได้สมาธิน่ะไม่แล้วมันมาบ่อยมากนะเดี๋ยวเรื่องนั้นมาเดี๋ยวเรื่องนี้มามันเป็นความหิวความกระหายเป็น เป็นเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านว่านะะมันเหมือนสัตว์ดิรัจฉานในจิตเราเนี่ยมันเหมือนสัตว์ที่มาผุดขึ้นมาบ่อยๆผุดขึ้นมาบ่อยๆจิตเราที่มันไปนกําเนิดเป็นสัตว์ที่มันจะขึ้นมาบ่อยๆขึ้นมาแล้วมันทวงเอาทีนี้สิ่งที่ที่เราจะให้มันทัาสติเราไม่ดีนะเราไม่มีการปฏิบัติวิปัสนาเนี่ยมันไม่มาทวงเห็นไ ห, หลายเรื่องนะ มันไม่ขึ้นมานะถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมแต่พอปฏิบัติธรรมตั้งแต่เล็กแต่น้อ ย, ยนะั่นแหะเรื่องนั้นเรื่องนี้กูลืมไปแล้วตัง้งนานก็ขึ้นมาพอขึ้นมาแล้วกูยินดีไปกับมันถ้ามันขึ้นมาเราเฉยๆกับมันได้ไหมเฉยๆประจวบถ้ามันดับไปเองเนี่ยคือให้มันมาเอาส่วนบุญที่เราทําเนี่ยบุญทแท้ก็คือบุญของวิปัสสนาบุญทแท้คือสติคือศีลคือสมาธิปัญญาถ้าเราปฏิบัติดีๆเขาเรียกว่าแผ่ส่วนบุญ แผ่ส่วนบุญก็คือให้ศีลมันไปให้สมาธิมันไปให้ปัญญาที่เรามีนี่คือปล่อยวางมันไม่ได้คิดอะไรมันก็ปล่อยวางไปปล่อยวางไปกิเลสตัณหาราค้าความพรุงแต่งทลายเกิดขึ้นวางเฉยเห็นมันแผ่ส่วนบุญท่านมีบุญไหมล่ะไม่ใช่มาหยาดนะ้ําแผ่ส่วนบุญได้ไม่ใช่นะบุญนี่คือศีล ส, สมาธิปัญญาในจิตเราเนี่ยถ้าเราฝึกดีๆบุญใ น, นนี้จะไม่มีวันหมด มันมาขอก็เฉยกับมันซะมันเอาไปเดี๋ยวมันก็ตายไปเดี๋ยวมันก็ดับไปคือตัวไหนมันมาแล้วมันตายไปเลยมันขึ้นมาแล้วมันหายไปเลยมันไม่มาอีกนะเขาเรียกว่ามันพอละมันมารับส่วนบุญแล้วมันดับไปเลยมันไม่มาอีกแล้วแต่บางตัวนี่มันไม่พอยิ่งเราไปทําอะไรที่ไม่ดีกับมันไว้เนี่ยมันจะมาทะวงไ่อยมากเดี๋ยวมันมาแล้วมันหมาแล้วมันคือเหมือนเราเป็นหนี้มันมากๆน่ะนะมันจะมาขออยู่นั่นแหละ เราไปโกรธใครรักใครชังใครหรือแม้กระทั่งวัาเราไปฆ่าไปแกงสัตว์อะไรทั้งห i, ท่้งปวงฆ่าหมาฆ่าแมวนี่ยมันจะขึ้นมาลราตาก็เคยฆ่านะมันก็จะผลิตออกมาเห็นภาพที่เราฆ่ามนเนี่ยว่าเป็นอย่างนี้เนาะคือในจิตเราเนี่ยเราไปทำอะไรแล้วมันสะสมเอาไว้มันจะสะสมอารมณ์ไว้ั้งในเนี่ยสะสมไว้สะส ม, ม, มไว้ส เวลาเรามาทำมิปัสนาเนี่ยคือการทำบุญอย่างมหาศาลน่มันจะขึ้นมาขอส่วนบุญนั่นนี่เลยเรื่องนั้นก็ผุดมาเรื่องนี้ก็ผุดมาคือเราต้องเฉยกับมันให้ได้ทุกอันเฉยกับมันปล่อยมันให้ได้ทุกอันเรื่องไหนมาก็ปล่อยมันเอามันขึ้นมาจนพูดคือพูดยังไงคือทำจนสมาธิเราตั้งมัน่นนั่นแหละสมาธิตั้งมัน่นเจ้า ก, กํานายเวียนพวกนี้ไม่สามารถที่จะขึ้นมา เก็บเบี้ยเก็บภาษีของเรามาเท่าไรเราจ่ายเท่านั้นมันขึ้นมาเท่าไรเราจ่ายมันมาทวงนี่เราก็จ่ายจ่ายจ่ายจ่ายนะสติเราดีมากสมาธิเราดีมากปัญญาเราดีมากเราเฉยกับมันในทุกอันนะมันก็มาเอาไปได้๋ยวก็ดับไปมาเไปกระดับไปดับไปดับไปมดนะจนภาวะมันมันเต็มแล้วในจิตเขาเรียกว่าบารมีบารมีเพราะว่าจิตมันเต็มมันเต็มคือมันไม่พร่องเลยเรื่องไหนขึ้นมาปุ๊บ เอาไปมันก็เหลืออยู่ปกติคิดเรื่องไหนเรื่องไหนมันผุดขึ้นมาใจเราก็เฉยปกติอยู่นะคือมันไม่ได้หดหายเพราะเราคิดอันนั้นมันไม่ได้หดหายไปสติสมาธิเราปัญญาเรานี่ไม่ได้หดหายไปเพราะเราคิดเรื่องนี้ของท่านตั้งหลายเวลาคิดเศร้าหมองนะคิดเรื่องนั้นกับเศร้าหมองคิดเรื่องนี้กับเศร้าหมองคิดนั้นก็นกนสมาธิหายไปสติหายไปปัญญาก็วหวดหายไม่ไม่มี คือยังไม่รวยพอไงท่านทั้งหลายยังไม่รวยต้องสะสมศรัทธายิริโอตตปะขยันวิริยะสวยหาปัญญาให้ได้เยอะๆแล้วเปรตตัวไหนอสูรกายตัวไหนที่ระาฉานตัวไหนที่มันผุดออกมาจากจิตเราเนี่ยเราเฉยกับมันได้หมดเขาบอกว่าเห็นการเกิดดับในจิตไง จะเห็นการเกิดดับคือเห็นพวกนี m im, m hm ah ้แหละเห็นจุตูปาตยานเห็นการจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายที่มาปรากฏกับจิตเหล่านี้ที่มื่ขึ้นมาเนี่ยเป็นผู้เห็นอย่างแจ่มแจ้งนะตัวไหนจะมาอะไรยังไงในเห็นมันเถิดไม่ต้งว่าจิตมันบาลมีมันเต็มนะพอบาลานตมันเต็มเมื่อเกิดสว่างแจ้งขึ้นมานล้วดีเกิดการดับทุกตรงนั้นเลย มันเขาเรียกว่าเราบำเพ็ญบารมีอย่างนี้บำเพ็ญบารมีมันเต็มน่ะเราเป็นพระเวทสันดรทานเรื่อยๆมันมากระฐานไปอดทนเรื่อยๆพยายามเรื่อยๆเป็นสุวรรณสามเป็นมหาชนกเป็นเลยเป็นเตมีใบอดทนเรื่อยๆเนี่ยอดทนจนถ้าบารมีอันนี้มันเต็มบารมีสิบทัศเนี่ยให้มันเต็มพอมันเต็มมันปกติมันก็ไม่มีอะไรมารบกวนใจเราอ เราก็ถือว่าเราได้ถ่ายเทยนี่ไปหมดนะคืนนี่เขาไปหมดชีวิตในปกติแล้วชีวิตเดินทางมาถึงเป้าหมายแลถึงที่สุดของทุกละนั่นเกิดมาเป็นคนเราก็รู้สัวอ้าวเราได้ทำหน้าที่มนุษย์ดีละเราจะมีความศรัทธาเลื่อมใสต่อครูบาอาจารย์ต่อพระพุทธองค์ ต่อพระพุทธศาสนาที่เกิดมาชี้ทางออกให้กับชีวิตเราเนี่ยแทนที่เราจะจมปลักอยู่กับทุกข์เรากลับได้รู้ได้เห็นสัจธรรมชีวิตเราเนี่ยเรากลับกลายเป็นคนรวยขึ้นมาเรารวยก็ได้ไม่รวยก็ได้แต่เราไม่เป็นหนี้นะเราคืนทุกอย่างไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้เราก็มีแต่สะสมไม่มีการมาเก็บดอกเนี่ย เน้นเรามีการถูกเก็บดอกถูกทวงนี้ถูกถามอยู่บ่อยๆนะนะจะพูดถึงว่าเรารวยมันไม่มีความรวยเลยมีแต่ความจนยังเป็นคนจนอยู่นี่พระโสดาบันเป็นผู้มีศรัทธาสมบูรณ์พระโสดาบันเนี่ยศรัทธาสมบูรณ์นะแต่คนข้างนอกเนี่ยมีศรัทธาอยู่แต่ศรัทธาแบบงมงาย แต่พระโสดาบันคือคนที่เห็นจิตตัวเองผู้มีจิตตกกระแสคือได้ตัวรู้แล้วสติอยู่กับสติและชีวิตเนี่ยไปในมาในเลเลึกรูก้แล้วมีความศรัทธาเต็มที่อหมายความว่าชีวิตเนี่ยสุขทุกเนี่ยมันอยู่ที่ขาดสติหรือมีสติถ้ามีสติก็สุขได้พ้นทุกได้มั่นใจเลยแต่ถ้าขาดสติก็ทุกแน่แน่ชีวิตนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคนนั้นคนนี้นะ เข้าใจคำว่าเยธรมาเฮตุปปวา mm hmm. เตสังเฮตุงตะทะาคโต้ทำทั้งหลายมันเกิดแต่เหตุ mm hmm. เข้าใจสั์นี้จนดีเลย mm hmm. เข้าใจคำคำนี้ทำทั้งหลายมันอยู่ที่ใจ mm hmm. เหตุของมันคือการขาดสติมันจะเห็นการขาดสติเนี่ยมันชัดเจนมากนั mm ่น hmm. ก็เรียกว่าเออเป็นพระโสดาบันพระโสดา บ, บันก็มีศรัทธาเต็มที่นะ แล้วก็จะเริ่มมีฮิลิโอตปะฮิลิโอตปะสัมปนะสุกัตมาสมาัยตาสันตุสัพปปุริสโลเกเทวาคนไหนมีฮิลิโอตปะนี่ถือว่าเป็นเทวธรรมได้เป็นเทวดาจิตมันสูงขึ้นมาระดับหนึ่งคนมีฮิลิโอตปะเนี่ยจ น, นตั้งหลายถ้าอยากเป็นเทวดาก็เพิ่ง ม, มีฮิลิโอตปะเยอะเยอะเทวดานะเขาไม่อยากทําชั่วนะทําอะไรที่มันไม่เหมาะสมก็ไม่ทํานะเขาจะมีความละอาย ผสมปัญก็จะมีความละอายขึ้นมาละอในการที่จะคิดจะปรุงแต่งเนี่ยมันจะเริ่มมีภาวะอนี้ยเราทั้งหลายละ่ะมีเงินมีทองร่ํารวยพอจะบริจาคได้หรือยังมีคุณธรรมพอที่จะบริจาคได้หรือยังบริจาคให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ผุดออกมาจากจิตเราเนี่ยทานให้มันได้ไหมเราไม่กลัวเรารู้สึกเรื่อยเืยเราเหมือนคนรวยเนี่ย ด้วยเรื่อๆเอ้าตัวความคิดตัวนี้มาเฉยก็มันได้เอาเอาไปมันอยากได้สติเลยเอาไปอยากได้สมาธิเลยให้ไปอยากได้ปัญญาเให้ไปเขาจึงทํารูปทำภาพเป็นพระเวสสันดรเนี่ยทานหมดเลยมันอยากได้แก้วตาเลยดวงใจเลยให้มันไปมันอยากได้เอาลูกไปเลยให้มันไปมันอยากมาเอามียะไรเให้มันไปเอานางมัดสีเอากัญหาจารีเอาอะไรนี่ให้มันไปหมดคือเป็นผู้เพียบพร้อมแล้วสมบูรณ์ ด้วยอริยาทรัพย์หละไม่มีวันหมดละมันมามันอยากได้ให้มันไปมันอยากได้ทานมันไปทานไปทานทานจนถ้าว่าเออยิ่งทานยิ่งได้ไม่เหมือนเงินทองนะยิ่งทานยิ่งได้หมายความยิ่งเราทานออกไปยิ่งได้ใจดีกลับมายิ่งทานไปยิ่งได้ความเมตตาเมตจบรมากกลับมายิ่งความปกติกลับมาเราเห็นหลายหลยคนนะเขาชอบทําบุญนําทานทําบุญทานจิตใจเขาดีอ่ะ เขามีความสุขกายสบายใจน่าจะมาสังเกตดูนะคนไหนทำบุญทำทานดีๆเวลาฝึกพาปฏิบัติธรรมเนี่ยอันนี้พูดถึงเรื่องจิตนะเขาก็รู้สึกว่าไปได้ง่ายปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่คนไหนที่มีความตนีทีเหนียวอยู่ในตัวเนี่ยอันนี้ก็ยากมันยากเพราะอะไรเพราะว่าศรัทธาเนี่ยมันก็จะแสดงออกมาในรูปแบบนี้มีศรัทธา สธานทางด้านจิตใจหนึ่งสธานแสดงออกมาทางด้านร่างกายมีทานมีศีลมีสุต ม, มีจาข้ามีปัญญาอะไรเกิดขึ้นประเป็นเรื่องของวัตถุก็มีเรื่องของจิตใจก็มาอย่างนางวิสาขานี่ทำบุญทําทานจนหมดตัวอันนั้นจะเป็นที่การเสรษฐีพวกนี้เวลาเขาฟังธรรมพระพุทธเจ้าขึ้นเขาก็ฟังหมดตัวทุ่มหมดตัวเหมือนกั น, น, นคือมันอยากแสดงออกนะ มียมคนหนึ่งนะเห็นพระพุทธเจ้ามาบินธบาตคนนั้นก็นใส่บาตรคนนี้ใส่บาตรแกแคไปขอทานมาได้ขอทานมาได้ได้ข้าวดำๆข้าวมือแกไม่ค่อยได้ล้างเนะาะใครอยากไม่ยากคือจะกินอยู่แล้วเนี่ยแต่เห็นสมณะเดินผ่านมามันเกิดปีติขึ้นมาในใจเนี่ยโอ้ที่เราจนชาตินี้เพราะเราไม่ได้ทําบุญทาทานเนาะมันไม่ได้มีศรัทธานะ มันไม่ได้ให้ผู้มีศีลก็มีความรู้สึกว่าถ้าอองั้นอธิษฐานจิตขอเป็นผู้ร่ำรวยกับเขาบ้างด้วยการให้ทานก็ตัดสินใจเอาเข้าวดำๆที่บีบแล้วขยำอีกเนี่ยที่เก็บมา้นหาควาทานมาไปใส่บาตรพระตถาคตท่านก็ว่าภาวะตุสปปมังกําลังนักกันตุสปเทวตาสปปุถะสปมาจึง สติปัฏฐานทุเต่เนี่ยน้าตาไหลพรากเลยเกิดปีติเกิดสมาธิเกิดมีความสุขขึ้นมานในจิตเนี่ยเพราะจิตที่มันทวนกระแสที่มันจะทิ้งอันนี้ไปใส่บาตรให้ทั้งที่ว่ามันจะต้องกินเนี่ยมันเนี่ยไอความโลภความอยากอันนี้กับการตัดขาดกับความอยากนี่มันจะขนาดไหนเน่ยมันต้องทวนกระแสมากต้องพยายามสูงมาก สูงมากที่จะทิ้งนเนี่ยท่านที่อันนี้มันเป็นของเราเนี่ยเราจะกินอยู่แล้วเนี่ยเราได้มาเนี่ยแลวเราก็ไม่มีกินด้วยดำๆำขนาดดำๆนะเราถือว่าเป็นทองของเราเนะแต่ก็จะทาใส่บาทพะฒธาคตเนื้อนาบุญก็ดีมากได้พัทธาคตฐานก็ได้มาด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์สะอาดขณะที่ทำก็เกิดปีติเกิดสมาธิจิตก็ผ่องใสใจก็เบิกบานขึ้นมา เห็นไหมแค่มีศรัทธาตัวเดียวนะความสุขมนปรากฏเกิดขึ้นแต่ดีความไม่ทุกข์มนมาแต่ดีนะแต่เดี๋ยวนี้เราทําอะไรก็ตามนะมันไม่ค่อยได้ทําด้วยใจไม่ทําด้วยศรัทธาด้วยใจโบราณ น, นีวใส่บาตรใส่ก็จะมีเทียนมีดอกไม้สาธุเขาทำดีมากคือเขาทําด้วยใจเขาแต่ปัจจุบันนี้ทําแบบอะไรอะ่ะทําแบบ เดเหมือนโลกๆนะ่ะทำเสียไม่ได้ไม่ทำก็ไม่คือไม่เหมาะสมทำไปทำเรื่องแต่มันไม่ได้ทิ้งไอความรู้สึกในใจเนี่ยเราไม่รู้สึกว่าเราแลกอะไรกับใจเราไปพุ่มทำว่าเราก็เลยไม่เกิดประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าแห่งการทำบุญทำทานแต่ถามว่าพ้นทุกไหมไม่ทุกเพิ่มโง่เพิ่มยิ่งทำบุญทำทานเท่าไรก็ยิ่งโง่เพิ่มเพราะมันไม่ได้ทำด้วยใจ หรือมันไม่ได้ทำเพื่อสร้างอุปสนละจิตเนี่ยแต่ทำเพื่อขอ อ, อะไรมาสักอย่างสาธุนะธรรมันนีนนนนะ้ขอให้ได้อนั้นนะขอให้ได้อนี้นะแต่มันไม่ได้ทำเพื่อกำจัดความรำมอบโลกมากหรือการเพิ่มพลังของสติสมาธิปัญญาในจิตตัวเองเนี่ยเพิ่มศรัทธาวันนี้มากขึ้นฮิลิโอตปะเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายใส่ใจเพื่ออันนั้นอันปัญญามันจึงไม่เกิดไงทามากแค่ไหนก็เท่านั้นะ่ะ กลายเป็นคนจนเหมือนเดิมท่านทั้งหลายก็จะจนไปถึงไหนชีวิตเนี่ยควรแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดใ น, นกับชีวิตแล้วนะอายุสังขามีมากอย่าให้มันต้องถูกตามทวงหนี้อยู่เรื่อยๆเลยคืนเขาให้หมดนะแล้วเราจะอยู่แบบคนรวยมีอยู่มีกินสะดวกสบายไม่ทุกข์ไม่ไมยาก ดังนันถ้าพระเจ้ประสงค์ของเราเองพุทธศาสนิกชนประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยโอ้ยต่างชาติเขาก็จะไม่หฮมาฝึกมาฝนมาปฏิบัติเพราะใครก็ตามในโลกนี้คือเขาก็เป็นทุกข์อยู่นั่นแหละ เ, เขาเป็นทุกข์เขาก็อยากพ้นทุกข์นะกรรมฐานหรือธรรมะเนี่ยถ้ารัฐบาลทําดีๆนะจะกลายเป็นสินค้าออก เป็นสินค้าส่งออกเลยแหละคนไหนก็กล่าวถึงกล่าวถึงเ อ, อ้าไปฝึกกรรมฐานอยู่ประเทศไทยไปฝึกสตินะไปแสวงหาความร่ำรวยแต่ก่อนเราต้องไปขุดทองที่ตะวันออกกลางนะต่อมาเขาจะมาขุดอริยทรัพยนะ์มาสร้างความรวยมาสร้างความพ้นทุกข์อยู่ในประเทศไทยก็ได้ใครจะไปรู้นะ แต่เราไม่ได้ทําอะไรจริงจังนะแต่ละคนก็เป็นคนลรเรื่องกันเราไม่ต้องพูดไปถึงนะนโยบายของรัฐ ข, ข, ข, ของน้องนี้อันนั้ น, นเป็นเรื่องของของโลกโลกอันนี้พุทธธรรมนี่เป็นเรื่องของส่วนตัวคนไหนมีปัญญาก็ศึกษาคนไหนไม่มีปัญญาไม่รู้จักสังเกตไม่พินิษฐพิเคราะห์นะไม่มีกาลยานามิตร โอกาสที่จะเข้าถึงสัจธรรมนี่ก็ลำบากหน่อยนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดละที่เราได้มาเจอกันได้มาฝึกมาปฏิบัติได้มาเรียนรู้จิตใจของเราเองเนี่ยนั้นทำให้มันดีที่สุดทำจนแท่มนมุ่นะจนทุกข์มันดับไปจนถึงวาระของการสิ้นทุกข์หรือถ้ามันยังไม่สิ้นก็ ศึกษาต่อไปโยุธ์ึ่งชีวิตจะหาไม่นั่นแหละทุกวนันทุกวนันเพราะว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามอันเนี้ยอย่างกำหนดรู้นี่ต้องแบกไหมไม่ได้แบกมันต้องไปขัดแย้งกับการงานอย่างอื่นไหมมันไม่ได้ขัดคุณจะทำงานอะไรก็ได้คุณก็ศึกษาใจของคุณเองไปด้วย มีสติไปด้วยมันไม่ได้ขัดแย้งกับอะไรนะพุทธธรรมเนี่ยไม่ได้ขัดแย้งกับอาชีพธุรกิจการงานไม่ได้ขัดแย้งกับชนชั้นวรรณะการศึกษาสมมุติบุธิทางสังคมอะไรไ ม, ไม่ได้เกี่ยวกันนะเราอยู่ตรงไหนเราก็ไม่ต้องแบกรับภาระเฮ้ยหนักเว้ยหนักใจที่ต้องกำหนดรู้ หนักใจที่ต้องรู้สึกตัวไม่ใช่แต่เพราะว่าเราเคยชินไปอยู่กับความคิดความปรุงแต่งมา ก, การที่จะมาอยู่ความรู้สึกตัวเราจะรู้สึกว่ามันได้อะไรมันอึดอัดนะด้วยซ้ำไปในการที่ไม่ได้ปล่อยมันคิดมันฟุ้งซ่านเนี่ยเราอยากฟาุ้งซ่านเราอยากคิดอยากปรุงแต่งเพราะเราไม่เคยอยู่กับปัจจุบันไปอยู่ปัจจุบันเฉยๆรู้สึกตัวเฉยๆไม่เห็นได้อะไรน กลายเป็นเรื่องของวัตถุนิยมขึ้นมาคือทำอะไรจะต้องได้ต้องมีต้องเป็นคิดเป็นค่าตอบแทนทำา น, นี้ต้องได้ไอนั้นทํา น, นั้นต้องได้ตอนนี้แต่พุทธธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าได้คุณธรรมอย่างเรารู้สึกตัวเนี่ยเราก็ได้ความสบายเรารู้สึกตัวเนี่ยเราก็ได้ขันติเนี่ยคุณธรรมกันให้คุณธรรมมันเกิดรู้สึกมีเมตตาต่อคนอื่น มีสมาธิจิตตั้งมั่นไปเนี่ยเราไม่เคยสังเกตว่าเราจะพ่อปูนคุณธรรมบนนี้ให้มันเกิดแต่เรามองเป็นเรื่องของวัตถุเป็นสิ่งตอบแทนตามภาษานะเรื่องของวัตถุนิยมแัลงต้องอดต้องทนต้องเพียรพยายามแล้วก็ต้องหมั่นสังเกตว่าเราได้อะไรไม่ได้อะไรที่ปฏิวัติธรรมเนี่ยที่สุดไม่ได้คือได้แต่ทางโลกนั้นสิ่งที่เขาได้นั้นคือไม่ได้ สิ่งที่เขาว่าเขาได้เนี่ยนะคือเขาไม่ได้เขาได้แต่ทุกข์แล้วก็ถูกตามทวงหนี้ตลอดเวลาเห็นไหมสิ่งที่เขาไม่ได้สิ่งที่ว่าเขาคิดว่ามันไม่ได้กับพระอริยเจ้าทั้งหลายกับมองว่าเป็นสิ่งที่ได้เนี่ยอยู่เฉยๆนี่กับได้ได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาได้ศรัทธาได้เหินอุตัฏฐาได้ชาค้ได้ปัญญาขึ้นมานอันนี้กัเป็นได้แต่ถ้าโลกยิ่งได้มาก ับยิ่งเสียจะถูกการกู้หนี้นยืมสินกันใหม่ปัญหามันเกิดขึ้นเรื่อยๆนั่นลองไปนึกไปคิดพิจารณาดูนะ